จิตใจเราใส่สนะแต่เราฝึกไปฝึกไปคำนี้คำนา้เข้ า, ราจริงจริงนะอย่าบอกว่าเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้จิตใจเราดีหรอกแต่เราฝึกจนเราเกิดความฉลาดขึ้นเนีะเรารู้ว่าถ้าอารมณ์ดีมากระทบจิตก็มีความสุขอารมณ์ร้ายมากระทบจิตก็มีความทุกข์จิตใจเนี่ยผันแปรไปตามเหตุปัจจัยที่มากระทบกนนระเทือนพอรู้เท่ารู้ทันเนีะใส่วางนะ เราไม่ได้ฝึกเพืพ่อเอาดีนะแต่ฝึกจนกระทั่งเป็นความจริตามพรรมชาติแล้วติดหล่อวางวางคืออะไรวางก็คือรู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อฝันหลวงพ่อภานวนาติดตะว้องไหวไทยติดถึงตะเกียนปุ๊บ ม, มาปศชกทั้งวันโดยทักไปกระทัดมาพยายามฝึกที่จะให้พ้นการกระทบคูบาอาจารย์ท่านก็สอน หัวจิตก็คล้ายๆกุ้ยเตี่ยสมวติมั่วจิตก็คล้ายๆกุ้ยเตี่ยถูกแดงมันก็ร้อนถูกฝนมันก็เย็นฟังก็ไม่เข้าใจคำสอนอย่างนี้มราคิด ว, ว่าเราต้องฝึกจกนกระทั่งไม่มีอะไรมากระทบได้ฝึกไปฝึกไปเพบ ว, ว่าไม่ใช่เราฝึกแล้วเราเข้าใจทำไมชาติเข้าใจความเป็นจริงต่างหาก่าสิ่งทั้งหลายมันไปตามเหตุตามปัจจัย ม, มากระทบ เ็จะตใจเหตุามผลตรงมันถ้าเมื่อไร่เราปฏิเสธธรรมชาติเรารก็ทุกเมื่อไรเราเข้าใจธรรมชาติเราก็ไม่ยึดถือก็ไม่ทุกไม่ทุกไม่ใช่ไม่ไม่มีกาจกระพบนะแต่มันกระทบแล้วมันไม่กระเทือนเหมือนอย่างเรามีต้นไม้อยู่นะลมพัดลมพัดเบา ๆ, ๆก็ไหวเบาๆลมพัดแรงๆก็ ไหวได้แล้วเราไม่ได้ฝึกผลเหมือนกับเพาะต้นไม้ที่ลมพัดแล้วไม่ไหวเลยใบยนังก็ไม่กตะดิกไม่ใช่ไม่ได้ฝึกเพื่อให้จิตใจไปเอย่างไม่ได้ฝึกเพื่อจิตกระด้างเลลมพัดมาตีไม้ใบ ไ, ไม้ไหวเราก็รู้ความจริงว่าเออมันก็ต้องไหวอย่างนี้แหละรู้อย่างที่มันเป็นใจยอมรับความจริงเมื่อหายใจจะไม่คูกข์เล ลมพัดต so ้นไม้หักใจก็ไม่ทุกเพราะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันลมอ่อนๆพัดมานะเพื่อลดความร้อนใบไม้ก็ไม่ไหม้ไม้สดชื่นก็มีเหตุผลของมันเราก็ไม่เห็นต้องดีใจเสียใจไปตามสิ่งที่มากระทบงการปฏิบัติมันแค่ฝึกเพื่อหนีการกระทบนะแล้วเมื่อกระทบแล้วติดจะกระเดือนก็ไม่เป็นไรให้รู้แบบ กระเทือนขึมาก็คือความดีดีดีร้ายไม่เกิดจริงๆก็ไม่ห้ามมันอีกกายกระทบแล้วจะกระเทือนก็ไม่ห้ามอีกไม่ห้ามการกระทบคือไม่ห้ามตากระทบรูปหูกระทบเสียงใจกระทบความสิ่ไม่ห้ามแล้วก็ไม่ห้ามความกระเทือนกระทบแล้วจิตใจหวั่นไหวยินดีร้ายก็ไม่ห้ามมันมีหน้าที่เดียวรู้ไปเรื่อยรู้วันใจใจยอมรับความจริงล้วธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ มันก็ไม่ทุกข์ละนิสของเราเราไม่ยอมรับความจริงตามธรรมชาติเราเอาความอยากมานําหน้าอย่างร่างกายเราเนะี่ยมันเจ็บป่วยมันมีเหตปัจจัยที่ทําให้มันเจ็บป่วยอาจจะมีกรรมเก่าหรือกรรมใหม่รักษาสุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยมันมีเหตุเราก็จะยก็ไม่อยากป่วยเลย คำว่าไม่อยากหรือคำว่าอยากเนี่ยนะมันเป็นความร้ายแสารเราเอนมันไม่ได้ทํำให้อะไรดีขึ้นเลยคำว่าอยากกะจะป่วยหรือจะไม่ป่วยลนะปลูกต้นไม้แล้วอยากให้ออกลูกหรือไม่อยากให้ออกรูกถ้าปลูกดีๆมันก็ อ, ออกเหมือนกันคำว่าอยากของเรามั็นจุดเดินเป็นความหมอดแค่ความไ ร, ร้เยแสาการจิตใจแค่น้นเองแล้วเมื่อไร่เราเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามผลลงมัน จิตใจก็ไม่ต้องไปอยากที่นโน้นเอยกสบายป่วยก็ป่วยสบายพอสบายแก่ก็แก่พีนี้ปีอื่แก่สมยัยเให้ิดิบไม่แก่ได้ดีพอตายแล้วก็เฮ้ตายได้ปีอย่างคนไปกตัวเจ็บตัวตายนะ แต่พอไปนอนโรงพยาบาลใส่ข้อใส่าสายถ้ามัเยอะๆมันอยากตายเร็วๆโอ้ยเม่อไหร่จะตายโอ้ยดิ้นไปดิ้นไหมทีแรกไม่อยากตายมันเจ็บๆก็อยากตายอีกแล้วตอนไม่อยากตายมันก็ยังไม่หายเจ็บตอนที่อยากตายมันก็ไม่ได้ว่ามันจะตายก็่ไหนความอยากนั้นมันลหลอกเราถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเป็นตามเกิดตามผลของมันเนะมันก็ตามที่เราอยาก ใจเราต้องสบายไม่ถูกความอยากคอบงำหรือหนตู้ไปเห็นขังดีสดแน่นหอมหน้ากินรสชาติมดีนุ่มหอมหน่อยๆหวานลึกๆหลึงใจมันอยากใช่งหมเราก็รู้ว่าอยากไม่ต้องไปห้ามมันไม่ต้องอยากหายอยากหายยายงน้อยก็เจ็บซ้อนเจ็บซ้อน จรินะก็เรเจอกันมาจิงๆเนะี้ี่สะสี่ก็ดีนะเมื่อรู้อย่างนี้นะต้องรู้แบบนี้นมันเจริญสติปัญญาได้นะต้ก็หาฐานที่อยู่อันหนึ่งที่อยู่กปะจํางผูกใจเอาไวนะ้เลยว่าตั้งใจนาะที่ฐานใจไม้เลนะ่นเ สมมตินะว่าเราอยู่กั บ, บการเคลื่อนไหวร่างกายทุกครั้งที่เราขยับตัวเราจะรู้สึกตัวนี่แหละี่อการเจริญสติปัหรือบางคนชอบลมหายใจก็อธิษฐานใจทุกครั้งที่หายใจเข้าเราจะรู้สึกตัวรู้ตดูมาจากความคิดความฝันของเราหายใจออกเอาไว้เถิดแบ่งครึ่ ง, ง, ง ไ, ได้ตั้งครึ่งนะถ้าหายใจเข้าเมื่อไหร่จะรู้สึกตัว หายใจออกช้าไปหน่อยไม่เหนื่อยมุกครองงามไมเลยเลยเสียตายเลยการจเจริญสติปัฏฐานเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะไปรู้ฐานของสติน ะ, จะเจริญไปเพื่อความมีสติให้มากเข้าว่ากไม่ใช่จะรู้กายนพียเดียวเลยมรู้เวทนารู้กิเลสตัณหาไม่ใช่ฝึกเพื่อความมีสติทำสติแต่ไม่แย่งตอนมีบูุ์ เราสติสมัมปชัญญะบริบูรณ์เนี่ยสติแนละ้วมั่นมันจะปุศนอันทีนี่เกิดปุสนจะไม่มีปุศนถ้าเราปฏิบัติชนิดชำนาญอย่างตอนที่เรายังไม่ชำนาญ น, นะเราบางทีเราโกรธเมืนะ่อเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นมาเร า, าไม่ต้งตะใช้ก็มีสติรู้ว่าจิตกําลั ง, กลงโกรธนะแต่ทําไมมีความโกรธได้ผิดหลักครับี่พานปุสนกับปุสนทําไมมันเกิดพร้อมกันได้ที่จริงไม่พร้อมกันนะ แต่มันสลับกันอย่างว่าเดิมในขณะที่โกรธปุ๊บขึ้นมาขณะนี้เป็นอาคุสน์ขณะที่เราดึกได้ว่าโกรู้ึกสภาพธรรมดำว่าเป็นเนื้อเป็นตัวสถิตผัดจากนั้นติดก็จะเริ่มโหลงอยู่นะเฮ้ยจะโกรธนี่ความโกรธมันเป็ น, นยัยนนนงไนงะนะ ก, ก, กัน ร, รู้มันหน่อยติ๊กอย่างนี้คิดนะเจออาคุสนแล้วจเจอโมหายแนละ้วก็เข้าไปจ้องความโกรธก็จะเห็นความโกรธค่อยๆหายไป ก็เกิดความหลงผิดอฮะเราเก่งเว้ยดูวีดีโอความโกรธหายได้เลยก็จรงิงความโกรธมันดับไปเพราะอะไรเพราะเหตุของความโกรธมันดับเหตุของความโกรธเป็นต้นว่าเราได้ยินที่เยี่ยงด่าเหตุนี้เหตุก็คือได้กระทบอารมณ์ที่ไม่ถูกใจเป็นเหตุใกล้ให้ความโกรธเกิดพอเรามาเฝ้ารู้ความโกรธเราไม่ดูที่เยี่ยงนะเี่ยงพูดสากสระน่ำตะลุมเราก็ไม่รู้แล้ว ก็มาดูเลยมันเหตุไม่มีความตรวจจับมีผู้ปฏิบัติก็ไม่รับชอบเลยเู้เราเก่งเลยดูผู้ขาดปั๊บเมี่ยมกุศลเนี่ยคือความตัวสติเนี่ยมันเป็นกุศลในิตรุดมีขึ้นมาพบเกิดกุศลในิขึ้นมาทุกทีในขณะที่เกิดกุศนไม่มีกิเลสหรอกเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เพื่อรักกิเล เราเจริญสติไม่ใช่เพื่อล้างกิเลสเพราะไม่มีมกิเลสให้ล้างในขณะที่มีส ต, ติแต่เราตัดการทำงานนี้ไปในที่สุดอนุใสคือเชื่อโหกิเลสในใจเราก็ค่อยอ่อนแรงลงเรื่อยๆก็ขาดอาหารคล้ายๆมันเป็นต้นไม้อะไรที่มีป่วยได้ดีอนุใสกิเลสพอถูกแดดถูกฝนพอหมอกพอควร เหมือนใจเนาะตีก็มีเฉยๆ้วมีอนุใสโทรศัพอนุใสซ้อนไว้เฉยๆถูกเที่ยงดาเนียได้แต่ได้ผลที่เหมาะพอพุ่งงอกขึ้นมาใจเป็นโขกอะแต่พอตีเกิดสตีซักเหมือนเราปั่นต้นไม้นั่นจริงนะโทรศนั้นตายไปในขณะนั้นมันไม่ได้ขึ้นมาปรุงอาหารนเอาไปเก็บไว้ในหัวใต้ดินแหมนี้หัวในใต้ดินของมันคืออนุใสก็ต้องค่อยเหี่ยวแห้งไป งั้นึกไปฝึกไปเนี่ยอ น, นุสัยให้ลดลงรดลงหมดเชื้อฝึกมากๆเข้าเสืด อ, อริยามรกเข้าไปขุดยินลงไปขุดลงไปในาวันทำลายอ น, นุสัยทำลายเชื้อตอนนี้ฝนตกแดดออกมันก็ไม่งอกแล้วราหันไปเรียนถุกดาแต่ก็ฉวยๆไม่ใช่ว่าไม่มีการกระทบ เราฝึกเราฝึกสติฝึกเป็นยีรักษาไม่ต้องไปคิดร่างกินงลงกินเละเลยแล้วเป็นไงจิตจิตทำไมข้าบู้ไห ม, มเวลาประคบแล้วมันกระเทือนแล้วเรายินดียินไลน์แล้วเราเห็นทุกข์พอเห็นแล้วมันยิ่งขึ้นเห็นในใจที่ติดใจที่ทุกข์หรอกถ้าเห็นแล้วอยากหายทุก น, นะ่ทุกข์ที่ลึกเลย เพราะเราไม่เป็นกลา ง, ล ง, งกับความทุกข์ไม้นมันไม่เป็นกา ง, ง, งเขาอีกแล้วเป็นความทุกข์แล้วก็อยากให้หายแต่ถ้าเมื่อไหร่เห็นความทุกข์ก็เป็นสภาพธรรมอันหนึ่งที่ากาลังตัดบทนะไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรของเราเป็นสภาพธรรมอันหนึ่งที่ถูกรู้หรือถ้าดับกันเพราะเราไม่จําเป็นต้องเป็นตับทุกข์หรอนนะความทุกข์เกิดจากเหตุทหมดเหียแล้วก็ดับเังตีเป็นทุกนานที่สุดเมื่อไหร่ เว็นวันๆเหรอเรื่องไรแฟนหัโอกแนไม่ได้ไปถามทวกเราใครไปทุกนานที่สุดก็ได้มีหนูน้อยหน้ามนกันเนึ่งดหนึ่งปีกว่ากว่าฮะทุกอยู่ปีกว่ากว่าถาาทำไมทุกอะโหหักฆ่านี่โหหกแล้วทุกอยู่ปีกว่ากว่าจริงหรอจริงค่ะ บอกเคยได้ระหว่าง อ, อกหักเนี่ยแล้วไปเดินเสือกันค้าแล้วเกิดปวดอ่กขึ้นมา mm hmm. เคยนะแล้วยิ่งหาห้องน้าไม่เจอเคยไหมเคยตอนนั้นอ่ะ อ, อกหักไหมไม่ อ, อกหักแล้วคะไม่มีหรอกทุกเป็นปีไม่มีหรอกทุกทีลักษณะจิตนั่นแหละพ <c oughs> อยคิดซ้ําใหม่ทําเหตุใหม่ทุทุกอีกหรือ <c oughs> ความทุกขเอง เ, เด็กๆดั บ, ดบ แล้วถ้าเราแยกทั้งขวานทั้งหกได้ดีมัยิ่งค่อยค่อยสิเกียรติดวงตาเรากระทบรูปเนี่ยเกิดจะมีเบิดขาเนี่ยตาเราไปเห็นรูปเชืว่ารูปสวยหรือรูปน่าเกลียดนะตาเราจะเกลียดขาใจเราต่างหา่มีเกลียดขาหูก็เหมือนกันถึงกระทบเสียงเนี่ยนะก็ไม่มีสุขมีทุกข์หรอกเป็นกลางกลางช่ไหมลิ้นกระทบรสลิ้นก็เป็นกลางกลางแต่กายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรเรี้ย มีสุขทุกข์ละกายเพราะงั้นทุกข์ทางกายนี่นะมีอยู่มิจิตอยู่ดวงเดียวที่รู้ทุกข์ทางกายทางร่างกายจิตอีกแปดสิบแปดดวงนี้ไม่ได้มารู้ทุกข์ทางกายยทางร่างกายงั้นถ้ายิ่นมีความทุกข์ทางร่างกายนี่นะยี่ยงเรานึกถึงธรรมะมัทุกข์ทางกายก็ไม่หนีนะ แต่ถ้าเมื่อไรเราสนใจกับเท่าไนเคร่งใสม่มนันก็มีขึ้นมาอีกมันเป็นจิตวงเดียวเท น, น, น, นั้นทุกทางตายแนตะ่ทุกทางตานั้นมีท้กทางผงไม่มีมีแต่อุเบกขานิจจ์นี้มันเกิดกับกีละดวมกี่ละดวงเพรนั้นทุกทางตายจริงๆแล้วมีนิดเดียวบางคนบอกเคยมะเร็งนี่อู้หัวตลอดเวลา ก็เหมือนที่อกหักแล้วทุ้กี่กะไม่ตลอดหรอกถ้าเศ้ารู้ออกไปเรื่อยในสติดีือในเดเดในความปวดเกิดเป็นปืนๆๆนปปตอนปวดขึ้นมานั้นเราก็รับรู้ไปพอมันตายมันดับลงนนจะรู้สึกมีความสุขพอมันพุ้้กฟ๊แล้วพอมันดับช่วงนั้นมันจะมีความสุข รวมนั้นแทนที่เราบตรวดหนึ่งวันเราจะทุกหนึ่งวันไม่หรอกรวมนั้นจะทุกไว้กี่นาทีถ้าเราสามารถแยกได้นะสปีงเราว่างไวแต่จะพบว่าบางช่วงไม่ได้ทุกหยือปวดฟันเนี่รู้สึกกวดตลอดเวลาที่เมื่อตลอดหรอกบางช่วงเบาลงเนี่ยจิตใจมีความสุขจะเห็นเนยเดี๋ยวสุกเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุกเดี๋ยวทุกสลับกัน่รวมเวลาที่ทุกอนิดเดียวเป็นเล็ก เรียนน้อยลงน้อยลงแค่จนนะเริินสตินะแล้วเรียนรู้ไปด้วยธรรมะหน้าสจัก ร, ร, ร ม, มากถ้าใครสงสัยอะไรถามรู้นี่เป็นความรูคือตรงที่รู้เนี่ยถ้าจะว่าแต่ลนะนั้นมันก็เป็นสภาพจิต บางชนิดนี่ําว่าจิตผู้รู้อ่ะถ้าเทียบตามปริยัติมันก็เป็นมหารกรุศุรจิตบางด ว, วงไม่ใช่ทุกดวงเลยนะเจอจิตผู้รู้เนี่ยมันเป็นมหารกรุสุรจิตชนิดที่ว่ามีเล็กยานจิตม่มีปัญญาไม่ใช่รู้แล้วซึ้ดึนเนอมใช่รู้เนี่ยนะรู้ประกอบด้วยปัญญาเท่าทันหมดเลยแต่ภาพคำลายปรากฏมันจะรู้ทัน แล้วก็การเกิดขึ้นมาของมันเนี่ยไม่ได้จงใจทําให้เกิดถ้าตำราเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ชักชวนไม่เจตนาไม่ต้องมีสิ่งเรามาทําให้เกิดกมันอาศัยการที่เราฝึกฝนจนเรารู้สภา พ, าาพธรรมความเป็นจริงขึ้นมาได้มันเกิดขึ้นมานี้ตัวจิตผู้รู้เองเมันมีเวทนาได้สองอย่างนี่จะสุขเวทนาตอนเป็นเด็กขา หรือโสมมันนั้นเยทานนะมีความสุขบางครั้งรู้อารมณนะ์แล้วอีกมีความสุขบางครั้งก็กลางกลางไม่สุขไม่ทุกขตัวจิตผู้รู้ไม่ไม่มีทุกข์หรอกไม่มีทุกข์กับเบญธนาพะมันตัวมันเนี่ยเป็นมหาคุณสมบัิจิตเป็นมหาคุณสมิจิตชนิดที่เป็นสุขหรือโสมนั้เยทานะตงเบญขาเวท น, วทนะประกอบอยึมยานภัสนะมีปัญญา เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้จงใจงไม่ได้ชักชวนให้เกิดถ้ารวมแล้วจะเหลือสองดวงคือการรู้ที่มีความสุขแต่การรู้อย่างถึงนลังมีสองตัวและในขณะนั้นก็จะมีเจตสิกมีสภาพธรรมที่ดีๆประกอบอยูเ่เยอะเลยในขณะนั้นมีสติมีสัมชัญญาติตัวปัญญา มีสัมมาสมาธิสมาธิยังเป็นตัวกลางๆชาสมาธิก็มีสมาธิป่ยช่วงยัมีสัมมาสมาธิประกอบอยู่แลวจิตที่มีสัมมาสมาธิเนี่ยค่อยจะมีกายปัสจัติจิตปัสัตติโอ้หน้นาเป็นฝูอะไรอยู่ตรงหน้าเยื่อทหล่านี่น กายรับอุตาจิตรับอุตากายเบาจิตเบากายมุ้ตุตาจิตมุขตุตากายอ่อมโยนจิตหอมโยนกายกรรมันพกตาควรแต่งงานจิตกรมันพุตากายตาปูตาช่องแจ้วจิตตาปูตาจิตช่องแจ้วกายนี้ไม่ใช่ร่างกายนะกายนี้หมายนามกายจิตเกิดเอ็นละจิต วุเรียนทำมั้ยวุฒิเรียนให้ปวดหัวแค่ไหนก็ได้เรียนให้ง่ายง่ายก็ได้ที่ฝันแล้วที่มาเรามานั่งสบาธิผ้าท่ายังตื่นอสู่คับปืองกเนี่ยกายสงกได้โกรส่วนกกานไหยกายเป็นจิตหนึ่งโกลส่วนเห็นเหมือนอย่างกายสดชื่นตื่นขึ้นมาจิตยังสงกจิตฟันอยู่ข้งไหนนั่งเหมือเมื่อที่กายสงกแล้วกายหลับ พึ่งหลับพึ่งตื่นนกเง็ดนกเงแดอะไรเนี่ยจิตตี่นข้นมาก็มีถามเรื่องจิตนี้ที่ผมไม่ค่อยเข้าใจอ่ะคือปกติเวลาอย่ากฟังที่นั่งฟังช่วงแรกเนี่ยเวลาฟังเสร็จเนี่ยมัเหมือนว่าเราคิดตามไปทีนี้ สิทเราล้นเนี่ยตอนนี้เราคิดที่เวลาล้วนเนี่ยมันู้วครั้งอย่างเดียวมันก็เข้าไปอยู่ในความเพราะฉะนั้นเนี่ยกายเราก็ไม่ล้นไม่้นะก็เข้าไปอยู่ในนั้นทีนี้มันก็เหมือนกับว่าไปกลับไปกลับพลันสภาพนันเราก็รู้เรานั่งอยู่ว่ามีมีอะไรนามีะิสว่าเราเรามทีจะกลับไปคิดใหม่เข้าออกก็ทีนี้รระหว่างที่เรารู้ได้อย่างเดียวมันจะรู้ได่ว่าคือคือคือิตเนี่ยลยเป็นกุศลจิตบ้างเป็นกุศลิบ้าง นี้ถ้าตามตำราบอกไกคิดธรรมะก็ถือว่าเป็นมือสดแต่พอในขั้นลงมีปฏิบัติในขั้นคิดธรรมะนะก็ถือว่าฟุ้งซ่านกันนี่การจะรู้ขณะดคิดนี้รู้ขนะคิดเรื่อนั้นเราต้องฝึกจนกระทั่งเราสามารถแยกได้ความคิดเนี่ยไม่ใช่จิตใช่ไหมควมคิดเป็นสังสารขันฝ่ายให้เท่าไหลไปจิตที่เป็นคนดูอยู่เหมือนกับเราไปดูมวยข้างเวที เดี๋ยวต้องไป